สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุกองพลทหารม้าที่สองความถี่963สาวันจันถึงวันศุกร์นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 19.30-20 ถึงนาฬกาวันนี้ขอนำเสนอท่านผู้ฟังด้วยอาณาปานสติวิถีแห่งความสุขเล่มที่หนึ่งเป็นหนังสือที่ ท่านผู้จัด ก, การร้านไอดีนตลาดราชวัรนํนำมอบให้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาไว้ณโอกาสนี้ด้วยท่านผู้ฟังที่ต้องการนำซีดีธรรมะชุดนี้ไปฟังทบทวนกรุณาสั่งจองที่เพนสีอินทราทัศ019197268นะคะขอมอบให้กับผู้ร่วมเผยแผ่ธรรมตามกำลังศรัทธาค่ะโอกาสนี้ขอเชิญติดตามรับฟัง อาณาปานสติวิถีแห่งความสุขของท่านพระอาจารย์มิสุโอคาเวสโกเล่มที่หนึ่งค่ะ